พันตำรวจเอกชลออุทกภาสยศขณะนั้นเป็นอีกท่านหนึ่งที่ศึกษาสนใจในเรื่องของพูดผีวิญญาณนะคะท่านได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลเรื่องเหล่านี้ตลอดมาเพื่อยืนยันว่าพูดผีวิญญาณมีจริงสำหรับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์รเผชิญวิญญาณด้วยตัวท่านเองและได้เล่าให้คุณเทพชูทับทองแห่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้บันทึกไว้ค่ะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับบ้านผีดุที่เี้นที่สุด เป็นตึกเก่าของพระพิบูรณ์สมบัติหรือว่าเซ็งกี่ต้นตระกูลต้นเศรษฐีเป็นบ้านตึกหลังใหญ่มากสามารถรับผู้เข้าไปอยู่อาศัยได้เป็น100คนนะคะมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 6-7 ถดไร่แต่ว่าถูกทิ้งร้างหลังจากท่านผู้เป็นต้นตระกูลถึงแกอ่อสัญกรรมลูกหลานแล้วก็บริวารต่างก็แยกย้ายไปลงหลักปักฐานอยู่ที่อื่นหมด ตึกก็เลยต้องถูกขายทอดตกมาเรื่อยๆเพื่อให้พ่อค้าคนจีนเช่าเป็นโกดังเก็บสินค้าต่อมาระยะหลังๆไม่มีใครมาเช่าก็เลยต้องปล่อยทิ้งร้างเอาไว้การที่บ้านม่เฮือมาหลังนี้มีผีดุ เริ่มมาจากหญิงคนจีนมีท้องแต่ว่าไม่ทราบชื่อนะคะเข้ามาผูกคอตายก่อนหญิงคนจีนในวัยสาวผู้นี้เนี่ยมาผูกคอตายเพราะว่าทะเลาะ ก, กันกับสามีด้วยอารมณ์โกรธแล้วก็น้อยใจก็เลยคิดสั้นดังกล่าวซึ่งเป็นการตายในลักษณะการตายโหงและก็ตายทั้งกลมด้วยซึ่งต่อมาก็มีคนมาฆ่าตัวตายที่ตึกร้างในสภาพผูกคอตายอีก3คนค่ะคือขอทานคนหนึ่ง ผู้ชายจีนชื่อเก่งคนหนึ่งแล้วก็นายหลินซึ่งเป็นนักเลงอันธพาลอีกคนหนึ่งนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ชายมาตกน้ําตายที่นี่อีกสองคนก็เลยเป็นที่เล่าลือกันว่ามีการตายในลักษณะตายหงคล้ายกันเช่นนี้เห็นทีจะเป็นเพราะว่าวิญญาณดุร้ายของหญิงจีนครอบงำก็เลยชักจูงให้เข้ามาตายเป็นเพื่อนก็ได้นะคะ ติดติดกับบ้านร้างเป็นบ้านของพันตำรวจเอกชะลออุทกาพาศเป็นบ้านตึกใหญ่โตแล้วก็มีพื้นที่กว้างขวางเป็นตึกเก่าของคุณปู่ก็คือพระยาพักดีพัฒรากรหรือว่าเจ้าสัวโอจิวด้วยเหตุนี้นะคะท่านก็เลยพบเห็นและก็ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ผีดูอลวาดในบ้านร้างทุกขณะค่ะ เหตุการณ์ผีดูอารวาสเกิดขึ้นประมาณกลางปี2475เมื่อค่ำวันนั้นเวลาประมาณ20นาฬิกานะคะขณะนั้นพันตำรวจเอกชะลอกำลังนั่งสนทนาอยู่ก็คื อ, อพ่อของนายคลี่อุทกภาสและก็นายดำเกิงน้องชายทันใดก็ได้ยินเสียงดังปึงปังแล้วก็เสียงเอะอะโวยวายจากตึกร้างซึ่งอยู่ติดติดกันก็เลยลุกขึ้นไปชะโงกหน้าต่างดูเพราะว่าเป็นตึกร้างเป็นอาคารเตี้ยกว่านะคะ เห็นแขกยามที่รับจ้างเฝ้าตึกร้างสองคนเนี่ยกำลังเดินถือไฟฉายส่องไปทางโน้นทีทางนี้ทีคล้ายกับหาอะไรอยู่ซึ่งพันตํารวจเอกชะลอก็เลยตะโกนลงไปว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าแขกยามไม่ตอบนะคะก็ยังคงเดินส่องไฟฉายกวาดดูรอบๆตึกอยู่ครู่หนึ่งต่อมาก็มีเสียงดังตึงตังประมาณ1ประหนึ่งว่ามีคนกําลังวิ่งจากอีกฟากหนึ่งของตึกมาอีกฟากหนึ่งนะคะแขกยามทั้งคู่ก็เลยรีบวิ่งตามไปดูจากนั้นก็ไม่มีเสียงอะไรอีกเลย สักพักใหญ่ๆแขกยามหายตกใจแล้วพันตํารวจเอกฉลองก็เลยเรียกแขกยามมาหาพร้อมกับบิดาท่านได้ถามนะคะว่าเมื่อกี้เสียงอะไรดังโครมครามในห้องแขกยามตอบว่าพวกเขาเนี่ยเจอผีเป็นผีผู้หญิงผมยาวตัวสูงๆสําหรับเสียงดังปึงปังนั้นเหมือนใครใช้มือใหญ่โตมาตบฝาจากด้านในห้องพันตํารวจเอกฉลอบอกกับบิดาค่ะว่าสงสัยจะเป็นผีหญิงจีนท้องแก่ที่มาผูกคอตายแล้วก็จะลองเส้นดู เวลานั้นพันตำรเอกชลอยังเป็นหนุ่มกำลังเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนกฎหมายเก่านะคะสเสมอสมัยก่อนนั้นยังไม่ได้เป็นมหาวิทยาลายัยแต่ว่าในะปัจจุบันนี้ก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองความรู้สึกนึกคิดออกจะเป็นคนห้าวไม่ค่อยกลัวอะไรโดยเฉพาะเรื่องของพูดผีวิญญาณก็ยิ่งไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงด้วยเหตุนี้ค่ะในวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณ18บแนาฬิกาก็เลยได้นําเอาเข้าวสุก1ก้อนเนื้อย่าง1ชิ้นแล้วก็เหล้าหนึ่งถ้วย เอาไปเส้นไว้ในห้องซึ่งผู้หญิงจีนผูกคอตายเส้นเสร็จแล้วด้วยความอยากรู้ว่าผีมีจริงหรือเปล่าท่านก็ประกาศท้าทายละค่ะว่าให้ผีหญิงจีนมาปรากฏกายหลอกหล้อแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์ตื่นเต้นระทึกขวัญอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเย็นวันที่4ค่ะเวลาพลเพลงประมาณเกือบ19นาฬิกาหรือว่าจนจนจะทุ่มนี่แหละที่บ้านร้างก็เกิดเสียงดังโครมครามอึงคนึงคล้ายกับคนทุบข้างฝาแบบเต็มเหนียว แขกยามที่บ้านร้างสองคนสมทบกับแขกยามบ้านพันตำรวจเอกชะลออีกสองคนซึ่งนัดแนะกันล่วงหน้าว่าจะจับผีก็แยกย้ายกันไปล้อมตรงจุดที่เกิดเสียงดังพอไปถึงตรงนั้นค่ะกลับไม่พบกับอะไรเลยมีเสียงทุบฝาดังขึ้นตรงไหนก็วิ่งไปที่นั่นซึ่งก็พบแต่ความว่างเปล่าทุกครั้ง เป็นอันว่าการจับผีให้รู้เห็นอย่างชัดแจ้งทำไม่ได้แต่ว่าเรื่องผีหลอกโดยการทำเสียงให้ปรากฏนั้นมีจริงแน่นะคะความอยากรู้อยากลองว่าผีมีจริงหรือเปล่าของพันตำรวจเอกชลอไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ท่านยังได้ไปชวนเพื่อนนักเรียนที่ใจกล้ามาช่วยกันจับผีอีก 7-8 คนยกขบวนมานอนที่บ้านกันเลยค่ะ เมื่อถึงเวลาโผลเพลงขํามืดก็พากันข้ามไปที่ตึกร้างโดยมีเด็กในบ้านแล้วก็น้องชายร่วมขบวนไปด้วยรวมกันก็ประมาณ10บกว่าคนแต่ละคนเนี่ยก็มีไม้ตะพดนะคะถือกันคนละอัน2อันไปกับไฟฉายอีกหนึ่งท่อนพอเกิดเสียงดังตึงตังโครมครามขึ้นที่ห้องไหนคณะจับผีก็ยกขบวนไปล้อมที่ห้องนั้นพอเปิดประตูเข้าไปก็ไม่เห็นมีอะไรภายในห้องมีแต่ฝุ่นจับพื้นหนาเต็มไปหมด หากแต่มีคนแอบมาทําเสียงดังเพื่อหลอกเล่นก็ย่อมเห็นรอยเท้าปรากฏอยู่บนพื้นห้องอย่างแน่นอนแต่ที่เห็นไม่มีร่องรอยใดๆบนพื้นฝุ่นนะคะบางทีคณะจับผีซุ่มดูอยู่ก็มีเสียงวิ่งโครมครามตรงมายังจุดที่ซ่อนพอใกล้เข้ามาเสียงนั้นก็หยุดอยู่กับที่เมื่อเอาไฟฉายส่องดูพร้อมๆกันก็พบแต่ความบ้างเปล่าเล่นเอาขนลุกกันเป็นแถวค่ะ พันตำรวจเอกชลอก็กล่าวว่าผีที่บ้านตึกรางนี้นี่เฮียนมากเพราะว่าโดยทั่วไปผีมักจะหลอกคนคนเดียวแต่ผีที่นี่หลอกคนเป็นกลุ่มนับสิบคนอย่างหน้าตาเฉย เ, เพื่อนของพันตำรวจเอกชลอเจอผีดุขั้นนี้ต่างถอดใจค่ะไม่กล้ามาร่วมขบวนจับผีอีกต่อไปแต่และคนยอมรับว่าไม่เคยรู้สึกกลัวผีมาก่อนพอมาเจอเข้าจังๆแบบนี้บอกได้เลยว่ากลัวจนจับจิตจริงๆ ผู้ที่ถูกผีบ้านร้างหลอกหลอนด้วยเสียงดังสนั่นหวั่นไหวกดดันให้เกิดความรู้สึกหวาดหวั่นขวัญกระเจิงเช่นนี้บุคคลในครอบครัวของพันตํารวจเอกชลอก็เคยเผชิญมาแล้วทุกคนนะคะแต่ว่าตัวท่านเองไม่เคยพบเห็นปรากฏเป็นรูปร่างใดๆทั้งสิน้นนอกจากได้ยินเพียงแค่เสียงเท่านั้นส่วนแขกยามสองคนที่รับจ้างเฝ้าตึกร้างต่างเคยเห็นเป็นตัวเป็นตนมาแล้วเห็นเป็นผู้หญิงบ้างเป็นผู้ชายบ้างมีสภาพน่าเกลียดหน้ากลัวอย่างที่สุด บางครั้งนี่แขกยามบอกว่าเห็นแต่พันตารวจเอกชลอไม่เห็นก็มีเช่นครั้งหนึ่งเป็นเวลากลางคืนค่ะแขกยามวิ่งมาบอกพันตารวจเอกชลอว่าเห็นผีตัวใหญ่ๆฟันซี่ใหญ่ๆเหินออกมานอกริมฝีปากกำลังเกาะอยู่ที่ตอไม้พันตารวจเอกชลอก็คว้าไฟฉายวิ่งไปดูเอาไฟฉายส่องไปที่ตอไม้นั้นแต่ก็ไม่เห็นอะไรแขกยามก็ยังคงยืนยันว่าเห็นผีเกาะอยู่ที่เดิม แต่ว่าตัวของพันตำรวจเอกฉลอกลับมองไม่เห็นนะคะและขณะที่ใช้ไฟฉายส่องหาผีอยู่นั้นเกิดมีอิดโบราณแผ่นหนาแล้วก็กว้างแล้วก็ยาวมากค่ะลอยและลิ้วมาตกตรงหน้าพันตำรวจเอกฉลอห่างออกไปประมาณ1เมตรเท่านั้นท่านก็เลยลองหยิบอิดแผ่นนั้นขึ้นมาแล้วก็จับทุ่มออกไป ปรากฏว่าสามารถทุ่มได้ไกลแค5่5้าเมตรเห็นจะได้แต่ที่เห็นอิฐลอยละลี้วเข้ามาหาเนี่ยแสดงว่ามันถูกขว้างมาจากที่ที่ไกลมากและที่น่าประหลาดอีกอย่างหนึ่งก็คืออิฐ ก, ก้อนดังกล่าวเป็นอิฐโบราณไม่เคยพบเห็นในบริเวณนี้มาก่อนส่วนแขกยามสองคนที่เฝ้าตึกร้างนั้นโดนผีหลอกหนักกว่าเพื่อนนะคะตอนแรกๆก็นอนกันบนตึก ตอนหลังเนี่ยต้องทำบันไดลิงไต่ลงมาทางหน้าต่างเพราะว่าเจอผีมาปรากฏกายดักหน้าดักหลังตรงบันไดซึ่งมีทางลงอยู่3มทางจะออกก็ออกไม่ได้จะลงทางไหนก็ลงไม่ได้ต้องหาทางออกทางหน้าต่างนั่นแหละค่ะภายหลังก็เลยนอนกันชั้นล่างแบบหลับๆตื่นๆหาความเป็นปกติสุขไม่ได้ แต่ว่าหลังจากที่พันตารวจเอกชลอไปเส้นผีหญิงจีนตายทั้งกลมแล้วก็พูดจาท้าทายให้มาปรากฏตัวนับแต่นั้นผีบ้านตึกร้างก็สำแดงเดชอรวาสติดต่อกันทุกวันนอกจากจะแสดงเสียงดังตึงตังโครมครามภายในบ้านร้างผีเนี่ยยังล่วงล้ำบุกรุกเข้ามาราังควานบ้านของพันตํารวจเอกชลอเข้าให้บ้างค่ะเช่นบางครั้งมีเสียงคล้ายกับถูกคว้างด้วยเม็ดกรวดเป็นกํามือดังกราวแต่หน้าประหลาดนะ ที่ไม่มีกรวดสักเม็ดหนึ่งตกลงมาจากหลังคาหมายถึงมีแต่เสียงโดยไม่มีกรวดจริงๆนะคะอีกคราวหนึ่งผีมันถึงกับข้างโอค์ทั้งใบขึ้นไปบนหลังคาโกดังซึ่งโกดังหลังนี้อยู่หน้าตึกบ้านของพันตํารวจเอกชลอหลังคามุงด้วยสังกะสีค่ะเมื่อมีองค์ถูกทุ่มโครมลงไปบนหลังคาสังกะสีก็เลยเกิดเสียงดังสนั่นวันไว้และก็เห็นโอ่งกลิ้งหลุนๆตกลงมาจากหลังคา เมื่อใช้ไฟฉายส่องดูกลับไม่มีองค์ตกลงมาแตกกระจายอย่างที่ควรเป็นตรงจุดที่องค์ตกกระทบพื้นมีแต่ความว่างเปล่าที่ร้ายหนักเข้าไปกว่านั้นก็คือผีบ้านร้างบุกเข้ามารังควานถึงในบ้านของพันตํารวจเอกชะลอและผู้ที่ประสบพบเห็นอํานาจของผีตัวนี้ก็คือท่านเองนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณตีสองคืนหนึ่งคืนนั้นพันตํำรวจเอกชลอกําลังนอนท่องหนังสือเรียนอยู่บนเตียงอยู่ๆหน้าต่างด้านที่ปิดเอาไว้ก็เปิดออก ท่านก็เลยลุกไปปิดใหม่แล้วก็ลงกรอนด้วยมือของท่านเองนะคะท่านใดนั้นก็มีเสียงดังกริก๊กเหลียวไปมองเห็นกรอนที่ถูกปิดได้เปิดออกต่อหน้าต่อตาและบานหน้าต่างก็เปิดออกไปใหม่คล้ายกับมีคนดันหน้าต่างให้เปิดเพียงแต่มองไม่เห็นคนถอดกรอนแล้วก็คนเปิดหน้าต่างเท่านั้น ต่อจากนั้นเตียงที่ท่านนั่งเอนท่องหนังสือก็สั่นยวบลงไปประหนึ่งว่ามีใครจับเตียงขยา่าหรือว่าเกิดแผ่นดินไหวสักครู่หนึ่งก็หายไปค่ะส่วนพันตำรวจเอกชลอก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรเพราะเชื่อมั่นว่ามันทำอะไรท่านไม่ได้ก็ท่องหนังสือต่อไปแต่ว่าอีกครู่หนึ่งก็ปิดไฟนอนนะคะ ต่อจากนั้นพันตำรวจเอกชลอซึ่งเจอผีบ้านร้างลุยเข้ามาหาถึงห้องนอนคนที่เจอผีอุบาทิอีกก็คือน้องสาวของท่านค่ะโดยปกติน้องสาวสองคนของพันตำรวจเอกชลอจะนอนอยู่ในห้องของคุณแม่เป็นประจำ แต่ว่าคืนเกิดเหตุเนี่ยเป็นเวลาดึกพอสมควรน้องสาวทั้งสองกรีดร้องเสียงลั่นในห้องนอนทุกคนจึงรีบวิ่งเข้าไปดูในห้องเห็นน้องสาวสองคนใช้พ่อห่มคลุมโปงเนื้อตัวสันเทาสอบถามก็ได้ความค่ะว่าพวกเธอเห็นมือคนขนาดใหญ่มากนิ้วแต่ละนิ้วเนี่ยเป็นข้อใหญ่ๆแล้วก็มีขนหยาบๆสีดาปกคลุมทั่วมือมือหน้าเกลียดหน้ากลัวนั้นจับอยู่ที่ขอบหน้าต่างขยับไปมาเหมือนกับจะยื่นเข้ามาในห้อง สำหรับเหยื่อรายต่อไปก็คือคุณแม่ของพันตำรวจเอกชะลอค่ะก็เป็นคนเห็นผีคนต่อมาผีที่ท่านเห็นเป็นหญิงจีนท้องโตใส่เสื้อสีดำเป็นเสื้อที่สวมวันผูคอตายนะคะมายืนเกาะราวบันไดด้วยใบหน้าหม่นหมองคุณแม่เห็นหลายหนครั้งหนึ่งเวลาประมาณ6โมงเย็น คุณแม่บอกว่าเห็นผีหญิงจีนมายืนเกาะราวบันไดที่เดิมจึงได้เรียกให้พันตำรวจเอกชะลอมาดูด้วยกันแต่ว่าหน้าแปลกนะคะที่คุณแม่ยังมองเห็นอยู่แต่ว่าพันตำรวจเอกชะลอกลับมองไม่เห็นค่ะผีบ้านตึกร้างนับวันยิ่งออกอลาวาตหนักเข้าทุกที พอถึงเวลากลางคืนก็จะมีเสียงโครมครามดังสนั่นวันไหวไม่ได้หยุดคนที่กลัวผีหรือว่าประสาทอ่อนหากมาเจอเข้าเนี่ยรับรองเลยว่าไม่กี่วันนะคะขวัญเสียถึงขั้นแทบเป็นบ้าเป็นหลังไปเลยและเสียงร่ำลือเรื่องบ้านผีดุยิ่งกระจายเป็นข่าวออกไปเป็นวงกว้างตำรวจสายตรวจคลองศารซึ่งใช้เรือเป็นพาหนะรู้ข่าวก็มาพิสูจน์กันยกกำลังกันมาหลายคนเลยละคะ่ะพอเข้าไปถึงตึกร้างได้พักเดียวถึงกับแข่งกันวิ่งลงเรือแทบไม่ทัน แม้กระทั่งพระที่วัดเกาะนะคะรูปหนึ่งเนี่ยก็มาทดสอบดูว่าผีเฮี้ยนจริงหรือไม่ไม่รู้ว่าท่านไปเจออะไรเข้าเห็นเดินจีวปรปลิวไปอีกรายพี่ชายของพันตํารวจเอกชลอชื่อคุณพักดีซึ่งขณะนั้นเป็นข้าราชการชั้นโทอยู่กองบังคับคดีล้มละลายกระทรวงยุติธรรมไม่ทราบว่าท่านไปได้วิชาเสกมาจากไหนนะก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่ทดลองวิชากับผีบ้านร้างโดยเข้าไปที่ห้องซึ่งหญิงจีนผูกคอตายแล้วก็หยิบก้อนอิฐขึ้นมาเสก พอเสกเรียบร้อยก็เจอดีเข้าเต็มๆอีกรายค่ะเมื่อมีเสียงตบข้างฝาเสียงเดินตึงตังโครมครามสนั่นหวั่นไหวต้องรีบล่าถอยออกมาพันตํารวจเอกชลอถามพี่ชายว่าทําไมถึงถอยหนีออกมาสะละพี่ชายตอบสั้นๆแต่เพียงว่าอินี่ดุคนจีนที่มาเช่ากโกดังหน้าบ้านของพันตํารวจเอกชะลออีกคนหนึ่งที่ไม่เชื่อว่าผีบ้านร้างจะดุจริงเมื่อทราบข่าวนะคะว่าผีดุผีอารวาส ก็เลยอาสาลองดีทันทีค่ะถือไม้ตะพดเข้าไปยืนด่าท้าทายด้วยภาษาจีนขโมงโสงเชงไม่ถึงอึดใจตึกร้างทั้งหลังก็แทบถล่มทลายด้วยเสียงโครมครามเปรี้ยงปร่างเล่นเอาคนจีนคนเก่งคนนี้เนี่ยวิ่งหน้าซีดออกมาแทบไม่ทันเป็นเวลา3มเดือนเต็มเต็มค่ะคุณผู้ฟังที่ผีบ้านร้างอารวาสครอบครัวของพันตํารวจเอกชลอก็เลยต้องไปนิมนต์พระอาจารย์หลายวัดมาทําพิธีถึงสองสัปดาห์ผีบ้านร้างถึงได้งเงียบไป แต่ถ้ามีใครท้าทายก็เป็นเรื่องทันทีเหมือนกันนะปัจจุบันนี้นะคะบ้านตึกร้างถูกรื้อทิ้งทําลายไปหมดแล้วแล้วก็การเวลาที่ผ่านมาก็ผ่านไปหลาย10ปีเหลือเกินไม่ทราบเหมือนกันว่าพูดผีวิ ญ, ญญาณที่สิงสู่อยู่ในสถานที่แห่งนั้นไปผุดไปเกิดหมดกันแล้วหรือยัง เรื่องราวความเฮี้ยนของบ้านร้างผีดุก็เลยเหลือไว้เพียงแต่บันทึกอีกบทหนึ่งของผู้เคยผ่านประสบการณ์ระทึกขวัญมาแล้วด้วยตัวเองอย่างเช่นท่านพันตำรวจเอกชลออุทกาพาศผู้นี้ค่ะเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นที่สอนอบุคาโลค่ะเป็นกลิ่นศพโชยมาพร้อมกับเสียงหมาหอนโหยหวน เหตุการณ์น anyway, ี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2540เรื่องราวประหลาดจากเสียงร่ำลือหนาหูที่เกิดขึ้นบนสอนอบุคคโลซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดบุคคโลหลังจากแยกตัวออกมาจากสอนอสำเร็จได้ไม่นานนะคะเหล่าผู้พิทักษ์สันติราต้องไปอาศัยที่อาคารไม้เก่าสองชั้นของโรงเรียนบุคคโลซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัด เรื่องชวนขนลุกได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเหล่าตำรวจทั้งชั้นประทวนและก็สัญญาบาัาตรค่ะต่างเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดโดยในช่วงกลางคืนบางคนเนี่ยก็จะเจอเป็นกลิ่นศพโชยมามีเสียงหมาหอนตามมาด้วยบางคนที่เข้าเวรอยู่ที่โรงพักก็จะเกิดอาการคล้ายกับถูกคนดึงขาแต่เมื่อตำรวจนะคะได้ทําการตรวจสอบดูก็ไม่พบกับสิ่งใดเลย เมื่อทางผู้สื่อข่าวเข้าลงไปตรวจสอบดูก็พบนะคะว่าหน้าอาคารไม้เก่าเป็นที่ตั้งของวิหารและเจดีเก่าแก่ซึ่งใกล้กันก็ยังมีโกดังเก็บศพที่เลิกใช้แล้วแต่ว่ายังมีศพไม่มีญาติเหลืออยู่ประมาณเจศพนะคะในช่วงกลางคืนก็เลยค่อนข้างจะบรรยากาศวังเวงมากพอสมควร ผู้กำกับสอนอบุคลโลในสมัยนั้นให้สัมภาษณ์ค่ะว่ามีอยู่คืนหนึ่งกำลังเดินตรวจงานอยู่จูจ่ๆก็มีกลิ่นสบโชอยออกมาพร้อมกับเสียงหมาหอนซึ่งตำรวจท่านนี้นะฮะบอกว่าพูดแล้วผมกับลูกน้องเนี่ยยังขนลุกไม่หายผู้กำกับก็เปรยให้ผู้สื่อข่าวฟังซึ่งขณะที่สารวัตรอีกรายหนึ่งค่ะเล่า ว, ว่าลูกน้องหลายคนกาลังนอนหลับอยู่ในห้องพัก แต่ว่าอยู่ๆนะคะก็ถูกดึงขาอย่างแรงพอตื่นขึ้นก็ไม่พบกับสิ่งใดและจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็เลยทำให้ตำรวจหลายคนออกอาการขวัญผวาส่วนชาวบ้านบางรายยังเคยเจอเหมือนกันโดยอ้างนะคะว่าเห็นผู้หญิงผมยาวมานั่งหวีผมที่หน้าศาล พระครูสมุสมพรจเจ้าอาวาสวัดบุคคลโอขณะนั้นก็เล่านะคะว่าอาตมาอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี2515ตอนที่ก่อสร้างวัดก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในขณะตอกเสาเข็มซึ่งก่อนลงตอกเสาเข็มก็ได้ทำพิธีอย่างถูกต้องแต่เมื่อตอกเสาเข็มได้3มต้นเสร็จเรียบร้อยพอจะตอกเสาเข็มต้นที่4ปรากฏว่าตอกเท่าไหร่ก็ตอกไม่ลง ก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยทำให้วัดแห่งนี้ไม่มีเสาเข็มต้นที่สี่เรียกว่าก็ยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้นะฮะว่าเสาเข็มต้นที่4ี่เนี่ยไปติดกันกันกบอะไรทำไมถึงตอกลงไม่ได้ณนะปัจจุบันนี้วัดแห่งนี้ก็เลยมีเสาเข็มเพียงแค่3มต้นเท่านั้นนะคะตำรวจโดนอีกค่ะคราวนี้เป็นคิวของตึกสอสอ ก, กอเจอผีหัวขาด อีกเหตุการณ์หนึ่งชวนสยองต้องย้อนกลับไปเมื่อเดือนก ร, รกฎาคม2อ4 0หลังจากผู้สื่อข่าวประจำกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจก็ได้รายงานถึงเรื่องราวลึกลับนะคะว่า พนักงานสอบสวนสองนายในคดีช่อโกงธนาคารกรุงเทพหรือว่า BBC ซึ่งอยู่ในระหว่างทำการสอบสวนหามรุ่งหามค่ำเพื่อสรุปสำนวนฟ้องผู้ต้องหาแต่ว่าระหว่างที่ทำงานในยามดึกสงัดแบบนี้กลับมีวิญญาณหญิงสาวปรากฏตัวให้เห็นค่ะในสภาพหัวขาด ก็เรียกว่าพี่ๆตำรวจสองนายเนี่ยเมื่อเจอแบบนี้ไม่เป็นอันทาการทำงานทำให้เรื่องราวดังกล่าวถูกเล่าขานทั่วทั้งตึกสสกแต่ว่าเจ้าตัวเองก็ไม่กล้าเปิดเผยอย่างจ่งแจ้งมากนะกลัวผู้ใต้บังคับบัญชาจวาดกลัวไปด้วยทางนี้ต่อมาตำรวจที่เจอเหตุการณ์สยองขวัญค่ะก็ได้เล่านะคะว่า ตอนนั้นหลังจากทำงานจนดึกที่ตึกเก่าในห้อง302บนชั้น3เพียงคนเดียวได้นำเตียงผ้าใบมานอนภายในห้องโดยหันศีรษะไปที่ประตูด้านหลังและในขณะที่กำลังจะหลับปรากฏว่าร่างกายทุกส่วนไม่สามารถขยับเขยื่อนได้แม้แต่จะดิ้นรนยังไงก็ทำไม่ได้ฉับพลันก็ปรากฏร่างของผู้หญิงสาวคนหนึ่งนอนอยู่ด้านข้างแต่ก็ไรเรียวแรงจะขยับศีรษะมามองเรือนร่างนั้น ความรู้สึกคือมีขาของผู้หญิงคนนั้นมานอนอยู่ข้างๆนอกจากนี้ยังได้ยินเสียงเด็ก 2, 3าคนส่งเสียงเจี๊ยวเจ้าลากเก้าอี้ภายในห้องเล่นกันอย่างสนุกสนานให้นอนกันได้แล้วเสียงผู้หญิงพูดขึ้นได้ยินแววๆจากนั้นก็เหมือนมีกระเป๋าถือมาวางบนหน้าอกแต่ก็ไม่สามารถหยิบได้สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงต่างๆที่ได้ยินก่อนหน้านี้นะคะก็เงียบไปร่างกายก็เริ่มขยับได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ นอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังตารวจคนเดิมยังบอกว่าเมื่อสองเดือนก่อนก็ได้มีพนักงานสอบสวนคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาได้นอนอยู่ที่ห้องเดียวกันนี้แล้วก็เจอเหตุการณ์ประหลาดโดยพบกับวิญญาณผู้หญิงคนนึงเปลือยกายล่อนจ้อนเลยแต่ว่าไม่มีสีรษะมายืนอยู่ปลายเตียงและผู้หญิงคนนั้นก็เรียกด้วยเสียงเยือกเย็นบอกว่าพี่พี่แล้วก็หายไปอย่างไรก็ตามสาหรับประวัติตึกสอสอกอเป็นตึกโบราณรูปตัวยูค่ะสูงสามชั้น ตั้งอยู่ริมถนนสาธรฝั่งเหนือโดยเป็นตึกเก่าแก่อายุกว่า70ปีแต่ก่อนเป็นที่ตั้งของสํานัก ง, งานตรวจคนเข้าเมืองและเคยเป็นที่คุมขังคนหลบหนีเข้าเมืองต่อมาเมื่อปี2492ก็ได้เปลี่ยนเป็นที่ตั้งกองทะเบียนคนต่างด้าวและภาษีอากรกรมตํารวจนะคะจนกระทั่งปี2535ได้เปลี่ยนมาเป็นของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจสภาพตัวตึกสีเทาเก่าคร่าําคร่าพื้นชั้นล่าง ปูด้วยไม้และปิดทับด้วยกระเบื้องยางส่วนชั้น2และก็ชั้น3ปูด้วยหินอ่อนสีขาวที่ปีกซ้ายและปีกขวาของตึกมีบันไดวนค่ะด้านหน้าของตึกจะมีห้องทำงานประตูแต่ละห้องก็จะมีขนาดใหญ่และก็สูงเช่นประตูทรงโบราณ น, นั่นเองค่ะ เรื่องของตำรวจกับผียังคงไม่หมดแค่นี้นะคะยังมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องผีที่บ้านพักตำรวจเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพลตำรวจโทชยัยยงปฏิพิมพาคม ซึ่งหลังจากท่านเรียนจบนักเรียนนายร้อยตํารวจแล้วก็ได้รับพระราชทานยศเป็นนายร้อยตํารวจตรีใหม่ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ราชการครั้งแรกที่โรงพักสําราญราษฎร์จนกระทั่งมียศเป็นร้อยตํารวจโทแล้วก็ย้ายไปประจําโรงพักที่บางซื่อนะคะพร้อมกับได้เลื่อนยศเป็นร้อยตํารวจเอกค่ะเหตุที่ต้องย้ายไปประจําโรงพักบางซื่อเพราะว่าเจ้านายเนี่ยเห็นว่าเหมาะสมเนื่องจากในสมัยนั้นตํารวจกับทหารเนี่ยไม่ค่อยกินเส้นกันแล้วก็มีเรื่องปีนเกลียวกันบ่อยนะคะ เวลามีเรื่องกันทีไรทหารก็จะเดินแถวออกจากกรมกองไปรางรถไฟแล้วก็ใช้ก้อนหินปูทางรถไฟเนี่ยขั้งปาเข้าไปในโรงพักจนกระจกแตกอยู่เป็นประจำเพราะว่าสถานีตารวจบางซื่อนะคะก็จะอยู่ใกล้กันกับทางรถไฟอันนี้หมายถึงโรงพักบางซื่อหลังเก่านะคะพลตำรวจโทชัยยงก็เคยเรียนอยู่โรงเรียนนายร้อยทหาร3ปีก่อนจะแยกเหล่าไปเรียนนายร้อยตารวจ เพื่อนร่วมรุ่นซึ่งเรียนสำเร็จมาพร้อมๆกันก็แยกย้ายกันไปประจำกรมกองต่างๆซึ่งพื้นที่บางซื่อก็มีกรมทหารตั้งอยู่หลายกรมเหมือนกันเมื่อย้ายมาประจำโรงพักบางซื่อค่ะจึงพอจะพูดคุยประสานรอยร้าวระหว่างทหารกับตำรวจได้บ้างเพราะว่าเป็นเพื่อนเก่าๆด้วยกันมาเมื่อย้ายมาประจำโรงพักบางซื่อแล้วก็ได้บ้านพักของทางราชการค่ะเป็นบ้านโบราณปลูกสร้างไว้นานมากพลตารวจโทชัยยง ก็อยู่ได้ระยะหนึ่งก็เจอกับเรื่องราวแปลกๆนั่นก็คือเวลากลับบ้านพักตอนดึกๆนะคะหลังจากที่ออกเวรแล้วมักจะเห็นคนมารับรับล่อๆด้อมด้อมมองๆอยู่หน้าบ้านพักพอเดินเข้าไปก็หลบหายไปอย่างรวดเร็วเคยเอาไฟฉายส่องดูนะคะแต่ก็ไม่เคยเห็นมีใครก็ไม่รู้ว่าไปหลบอยู่ที่ไหนก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นพวกขี้ยาพวกลักเล็กขโมยน้อยประเภทใจกล้าคิดจะล้วงคองูเห่าก็เลยบอกลูกน้องให้คอยดูแลอยู่บ่อย เพราะว่าเกรงว่าของจะหายแต่ก็ไม่เคยปรากฏว่ามีของหายนะคะส่วนมีคนมาป้วนเปี้ยนบริเวณหน้าบ้านพักก็ยังคงเห็นเสมอในตอนดึกๆวันหนึ่งเมื่อไม่ได้เข้าเวรค่ะพลตำรวจโทรชัยยงก็เข้านอนแต่หัวค่ำแต่ว่ามีทุระทางราชการตอนดึกๆ ก, ก็เลยต้องสั่งสิบเวรให้ไปปลุกตอนเที่ยงคืนจากนั้นก็นอนหลับไปด้วยความอ่อนเพลีย มาสะดุ้งตื่นอีกครั้งหนึ่งเมื่อรู้สึกว่ามีมือเย็นๆมาจับที่ข้อเท้าแล้วก็ดึงอย่างแรงทานองปลุกให้ตื่นเมื่อพลตํารวจโทรชัยยงตื่นแล้วนะคะมือนั้นก็ยังคงจับอยู่ที่ข้อเท้าก็ยังคงดึงอยู่อย่างนั้นก็เลยลุกขึ้นไปเปิดไฟแล้วก็มองดูไปทั่วห้องแต่ก็ไม่เห็นมีใครค่ะดูนาฬิกาข้อมือเป็นเวลาเที่ยงคืนพอดีจึงคิดว่า10เวรมาปลุกแล้วก็รีบพลาญไปแต่ก็ยังสงสัยไม่หายนะคะว่าเอ๊ะทําไมถึงออกจากห้องไปเร็วนะัก อาบน้ําแต่งตัวเสร็จก็เดินลงจากบ้านพักไปที่โรงพักก็เห็นสิบเวรกําลังเข้าเวรจึงเดินเข้าไปหาสิบเวรรีบทําความเคารพและแสดงท่าตกใจเหมือนเพิ่งนึกได้นะคะพร้อมกับพูดขอโทษเป็นการใหญ่ว่าที่สั่งให้ไปปลูกตอนเที่ยงคืนเนี่ยเขาลืมสนิทไม่ได้เข้าไปปลูกพลตารวจโทรชัยยงก็ขนลุกเหมือนกันเพราะว่าสั่งแค่สิบเวรคนเดียวนะให้ไปปลูกไม่ได้สั่งคนอื่นเลยแล้วใครล่ะที่ไปปลูกตัวเองถึงในห้อง พอคิดย้อนไปถึงคนที่มายืนลับๆล่อ ๆ, ๆแถวบ้านตอนดึกนะคะพลตํารวจโทชัยยงก็เกิดความสงสัยในบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาก็เลยถามกับสิบเวนกับจ่าซึ่งอยู่โรงพักบางซื่อมานานว่าเรื่องราวเป็นไปอย่างไรมาอย่างไรในสิบกับจ่าก็เล่าให้ฟังค่ะว่าบ้านพักที่พลตารวจโทชัยยงเข้าไปพักอยู่นั้นเมื่อก่อนนึงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโรงพักเก่าใช้เป็นที่คุมขังนักโทษห้องที่นอนก็คือห้องขัง ต่อมาก็ได้ย้ายที่คุมขังนักโทษไปอยู่ในตัวอาคารโรงพักปัจจุบันแล้วก็ดัดแปลงห้องขังเก่าให้เป็นเรือนพักแล้วก็ห้องนอนซึ่งที่เคยเป็นห้องขังเก่านั้นเคยมีนักโทษคนนึงผูกคอตายก็เป็นอันสิ้นสงสัยนะคะคุณผู้ฟังว่าใครการที่มาปรากฏตัววุบ ว, วับว บ, บริเวณหน้าบ้านพักและผู้ที่มาปลุกพลตํารวจโทชัยยงก็คงจะเป็นวิญญาณ น, นักโทษที่ผูกคอตายนั่นเองค่ะต่อมาพลตํารวจโทชัยยงก็ได้ให้ลูกน้อง ไปซื้อสารพระภูมิเล็กๆมาตั้งไว้ไม่ห่างจากบ้านพักเท่าไหร่นะักแล้วก็จุดทูบจุดเทียนเชิญดวงวิญญาณซึ่งหาที่ไปเกิดไม่ได้มาสถิตยอยู่ในสารจะได้ช่วยปกป้องคุ้มครองภัยอันตรายแก่ตำรวจทุกคนในโรงพักนี้ตำรวจแล้วก็ครอบครัวตำรวจเห็นว่าผีเฮี้ยนก็เลยบนบานสารกล่าวขอหวยขอโชคซะอีกก็ถูกหวยได้เงินไปหลายรายค่ะของหายมาบนก็ได้ของคืนอย่างเหลือเชื่อก็เลยเส้นไหว้กันไปเรื่อย คนตจโทชัยยงปฏิพิมพาคมได้กล่าวถึงทัศนะของท่านเองโดยส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องวิญญาณ น, นี้นะคะท่านบอกว่าผมเชื่อแน่ว่าโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณ น, นี้อยู่ด้วยกันแต่กั้นกันไว้ด้วยมิติ สามารถติดต่อถึงกันได้เป็นบางขณะและก็บางเวลาเมื่อสถานที่อำนวยให้คงจะต้องเข้าใจนะว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเดี่ยวเลยเป็นคู่ทั้งหมดมีขาวก็มีดำมีร้อนก็มีหนาวดังนั้นเมื่อมีกายเนื้อก็ต้องมีกายทิพย์เป็นของคู่กันอยู่ด้วยกันแน่นอน นี่ก็เป็นเรื่องราวของตำรวจเจอผีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอตำพันธ์ตำรวจเอกชลออุทธกภาธนะคะแล้วก็เรื่องราวของ พลตำรวจโทชัยยงปฏิพิมพาคมทั้งนี้บีเองก็อยากจะให้คุณผู้ฟังนะคะฟังเพื่อความบันเทิงแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ก็ไม่สามารถที่จะบังคับกันได้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการของเราด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยกับช่องเล็กๆช่องนี้ช่องพระเจอผีและก็แฟนเพจบน facebook นะคะ w w w f a c e b o o k บ o อพระเจอผีกดเข้า ไปเลยค่ะยังไงเจอแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้เวลาหมดแล้วผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ